ชีวิตในทัศนคของพระอาหารหันต์พระอาหารหันต์ไม่มีความหลงผิดเกี่ยวกับธรรมชาติของกรรมคุณทั้งปวงท่านรู้ชัดแล้วว่ากรรมคุณเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาซึ่งหมายความว่าได้อย่างรู้ทุกขศาสตร์เนื่องจากหลุดพ้นแล้วจากอาวิชชาความหลงผิดไม่มีตัณหาความทยานอยากในสิ่งใดๆ ถึงแม้ว่าจะยังมีความจำเป็นต้องบํารุงรักษารูปประขันด้วยการกินดื่มและพักผ่อนเป็นต้นแต่ก็ถือว่าเป็นการบรรเทาสังขารทุกเท่านั้นและไม่เห็นความน่าปรารถนาเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านั้นเลยอาจมีคำถามว่าพระอรหันต์มีความปรารถนาจะดับขันโดยเร็วเพื่อให้พ้นไปจากความทุกข์ของสังขารหรือไม่ พึงทราบว่าความต้องการจะตายหรือทำให้รูปขันแตกสลายไปก่อนเวลาอันควรนั้นเป็นความปรารถนาในเชิงทำลายซึ่งพระอรหันต์เป็นอิสระแล้วจากความปรารถนาอย่างนี้ดังนั้นจึงมีคำกล่าวของพระอรหัน์รูปหนึ่งในเทรคาถาว่าเราไม่มีความปรารถนาที่จะตายหรือจะอยู่ เรารอเวลาจะปรินิพานเหมือนลูกจ้างรอรับค่าจ้างพระอระหันต์ไม่ได้มีความประสงค์จะมีชีวิตที่ยืนยาวเพราะชีวิตหมายถึงการแบกภาระหนักซึ่งได้แก่ขันห้าที่มีแต่ความทุกข์แม้ว่าการแบกขันห้าจะเป็นภาระที่ต้องบำรุงรักษาเอาใจใส่แต่คนเราก็ไม่อาจพึ่งพาอาศัย หรือไว้ใจขันห้าได้เลยคนวัยกลางคนหรือวัยชาราจะรู้สึกชีวิตไม่มีอะไรรื่นรมมีแต่ความอึดอัดผิดหวังและขมขื่นสภาพความเป็นอยู่ที่ถดถอยลงตลอดเวลาและสุขภาพพารามัยที่นับวันจะเสื่อมลงอนาคตมีแต่ความเจ็บไข้และความตายที่รออยู่ แต่เป็นเพราะอาวิชชาความไม่รู้และอุปทานความยึดมั่นทำให้ผู้คนจำนวนมากยินดีพอใจกับการมีชีวิตแต่สําหรับพระอาหารหันต์ที่ปราศจากความหลงผิดนั้นชีวิตเป็นสิ่งที่น่าเบื่อนายและจำเจท่านจึงไม่มีความเพลิดเพลินยินดีในชีวิตอย่างไรก็ตามพระอาหารหันต์ ก็มิได้พอใจความตายยิ่งไปกว่าการมีชีวิตเพราะความอยากตายเป็นสัญชาตญาณที่ประกอบด้วยโทสะซึ่งพระอาหารหันต์สามารถละได้โดยสิ้นเชิงแล้วท่านจึงปรารถนาที่จะบรรลุนิพพานซึ่งเปรียบเหมือนกับกรรมกรที่ปรารถนาจะได้รับค่าแรงสำหรับงานที่ทำเรียบร้อยแล้วลูกจ้าง ไม่ต้องการเหนื่อยยากกับการงานหนักแต่ก็จำเป็นจะต้องทำงานเพื่อหาเลี้ยงชีวิตถึงงานจะหนักและลาบากเพียงไรเขาก็ไม่อยากตกงานหากต้องการเพียงค่าแรงและรอคอยวันที่จะได้รับเงินพระอรหันต์ก็เช่นเดียวกันท่านรอคอยเวลาจะเข้าสู่นิพพานที่ไม่มีรูปนามเหลืออยู่ดังนั้น เมื่อพระอรหันต์พิจารณาชีวิตของท่านก็จะคิดเพียงว่าจะต้องแบกภาระหนักของรูปนามขันห้าต่อไปอีกนานเพียงใดเนื่องจากท่านปราศจากความหลงผิดแล้วดังนั้นเมื่อกระแสขันของท่านดับลงจึงเรียกสภาวะนี้ว่าอนุปาทิเศตนิพานคือความดับที่ไม่มีรูปนามเหลืออยู่ นิพพานไม่ใช่การดับศูนแต่เป็นการดับทุกข์ผู้ที่เชื่อว่ามีอัตตาหรือวิญญาณอมตะมักสบประมาทนิพพานว่าเป็นการตายอย่างถาวรชั่วนิวรันดรของสิ่งมีชีวิตแต่ความเป็นจริงนิพพานเป็นการดับอย่างสิ้นเชิงของความทุกข์เพราะไม่มีการเกิดใหม่ของรูปนามตลอดถึงปัจจัยที่เป็นเหตุให้เกิดรูปนาม คือกรรมและกิเลสดังนั้นพระพุทธองค์จึงทรงชี้ให้เห็นว่าอุปทานดับเพราะตัณหาดับและกรรมภพดับเพราะอุปทานดับเป็นต้นเมื่อไม่มีการเกิดใหม่จึงไม่มีชารามรณะตลอดจนความทุกข์อย่างอื่นๆด้วยคนส่วนใหญ่เชื่อกันว่าชาติชาราและมรณะเป็นภัยชั่วร้าย ที่คุก ค, คามสัตว์บุคคลแต่ในความเป็นจริงนั้นภัยที่ชั่วร้ายนี้เป็นเพียงกระบวนการของรูปนามเท่านั้นและไม่เกี่ยวข้องกับสัตว์บุคคลเลยเนื่องจากไม่มีอัตตาหรือวิญ ญ, ญาณอมตะในสัตว์บุคคลจึงไม่มีเหตุผลที่จะกล่าวว่าการสิ้นไปของชาติและทุกขนั้นเป็นการดับศูนย์ของสัตว์บุคคลด้วยเหตุนั้น ผู้ที่เห็นว่านิพพานเป็นการดับศูนย์ของสัตว์บุคคลจึงยังถูกห่อหุ้มอยู่ด้วยอัตตะวิปัลลาดความเห็นผิดเป็นตัวตนสำหรับพุทธศาสนิกชนผู้มีปัญญาย่อมเข้าใจได้ว่านิพพานหมายถึงความดับทุกข์เท่านั้นดังจะเห็นได้จากเรื่องของพระยมกะภิกษุสมัยพุทธกาล เรื่องพระยะมะกะภิษุพระยะมะกะภิษุชื่อว่าเป็นพระอรหันต์ปรินิพานแล้วสัตว์บุคคลย่อมดับสูญไปไม่มีการเกิดอีกแม้ภิกษุรูปอื่นๆก็ได้ชี้แจงว่าความเชื่อนี้เป็นความเห็นผิดว่าสัตว์บุคคลขาดสูญก็ยังเชื่อมั่นอย่างนี้ดังนั้น ท่านพระสารีบุตรจึงได้ไปหาแล้วซักถามพระยะมกกะพิษุยอมรับว่าขันห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์จึงไม่ควรถือว่าเป็นอัตตาของตนท่านพระสารีบุตรได้สอนให้เห็นขันห้าตามความเป็นจริงเพื่อจะไม่มีความหลงผิดไม่ยึดมั่นและถึงความหลุดพ้นในขณะที่พระยะมกะกะพิษุสดับพระธรรมเทศนาอยู่นั้น ได้บรรลุพระโสดาบันหลุดพ้นจากความเห็นผิดเมื่อพระเทระซักถามต่อพระยะมะกฐภิกษุได้ตอบว่าพระอรหันต์ไม่ใช่รูปเวทนาสัญญาสังขารหรือวิญญาณและพระอรหันต์ไม่ใช่ประสากรูปและวิญญาณดังนั้นในเมื่อพระอรหันต์หรือสัตบุคคล ไม่มีอยู่ในขันห้าในขณะที่มีชีวิตจึงไม่ควรกล่าวว่าพระอรหันต์ดับศูนย์หลังจากปรินิพพานแล้วพระยะมะกะภิกสุยอมรับว่าความเห็นเดิมนั้นผิดเมื่อได้ถอนความเห็นผิดนั้นแล้วจึงรู้ว่าหากมีผู้ถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่พระอรหันต์ตายไปแล้วพึงตอบว่า ความตายของพระอาหารหันต์หมายถึงความดับอย่างสิ้นเชิงของความทุกข์ที่มีอยู่ในความไม่เที่ยงของขันห้าท่านพระสารีบุตรเทระรับรองความถูกต้องของคำกล่าวนี้โดยอุปมาขันห้าเหมือนนักฆ่าที่ปลอมตัวมาเป็นเพื่อนและการยึดถือขันห้าว่าเป็นอัตตาก็เหมือนกับการต้อนรับนักฆ่าไว้นั่นเอง ในเรื่องนี้พระยะมกกะภิกษุมีความเชื่อว่าพระอรหันต์ดับศูนไปหลังจากที่ปรินิพานความเชื่อนี้มีพื้นฐานมาจากความเห็นผิดว่ามีอัตตาและความเห็นว่านิพานเป็นการดับศูนของอัตตาจัดเป็นอุเฉทธทิฐิเมื่อพระยะมกกะภิกษุได้เห็นแจ้งบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วจึงได้กล่าวว่า วาตายของพระอระหันต์หมายถึงความดับไม่เหลือของความทุกข์ที่มีอยู่ในความไม่เที่ยงของขันห้ากราวโดยสรุปคือการไม่กำหนดรู้ในขณะเห็นได้ยินรู้กลิน่นและสภาวธรรมรูปนามอื่นๆเป็นเหตุให้เกิดอวิชชาตัญหาอุปทานกรรมภพและสังขารซึ่งเป็นเหตุให้เกิดชาติชารามรณะ ในอนาคตการมีสติกำหนดรู้สภาวธรรมปัจจุบันจะช่วยยับยั้งไม่ให้เกิดอวิชชาและตัณหาเป็นต้นซึ่งเป็นเหตุห้าประการในการปัจจุบันและผลห้าประการที่จะเกิดในอนาคตซึ่งได้แก่ชาติชาราและความทุกข์อื่นๆทั้งหลาย วชิวราภิกษุณีและธรรมชาติของขันห้าในภาษสิทธิ์ของวชิวราภิกษุณีได้กล่าวถึงการดับทุกข์ไว้เช่นกันวันหนึ่งในขณะท่านนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใกล้พระเชตวันมารได้มาปรากฏกายและพยายามทำให้สะดุ้งตกใจกลัวโดยได้ถามว่าแห่ภิกษุณีใครสร้างสัตว์ผู้สร้างอยู่ที่ไหน สัตว์เกิดขึ้นได้อย่างไรและดับไปอย่างไรวชิราภิกษุณีตอบว่าดูก่อนมานท่านคิดว่าอะไรคือสัตว์ความเห็นของท่านเป็นความหลงผิดมิใช่หรือสิ่งที่ท่านเรียกว่าสัตว์นั้นแท้จริงเป็นเพียงกองสังขารเท่านั้นไม่มีสัตว์ในกองสังขา น, นี้คำว่าสัตว์นั้นเป็นเพียงคำที่ชาวโลกสมมติเรียกกองขันห้า เหมือนกับคำว่ารถใช้เรียกสิ่งที่ประกอบขึ้นจากล้อและเพลาเป็นต้นไม่มีอะไรเรียกได้ว่าสัตว์นอกจากกองขันห้าที่เป็นความทุกข์ที่จริงมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์ดังนั้นคำว่าสัตว์ จึงหมายถึงสิ่งที่คนทั่วไปสมมุติขึ้นเท่านั้นไม่มีอยู่จริงในความหมายที่เป็นปรมัต์สิ่งที่เรียกกันว่าสัต์นั้นโดยปรมัต์เป็นกระบวนการของรูปนามที่เกิดขึ้นโดยมีอวิชชาตัณหาอุปทานกรรมและสังขารเป็นปัจจัยปรุงแต่งและมีวิญญาณ น, นามรูปอายตนะผัสสะและเวทนาเป็นผล ธรรมที่เป็นผลเหล่านี้กลับเป็นเหตุให้มีการเกิดในภพใหม่ที่ประกอบด้วยความทุกข์หมุนเวียนต่อไปอีกสังเขปสี่สันทิ3และอาการ20สหลักปฏิจจสมุปบาทกล่าวถึงธรรมสีกลุ่มซึ่งคำว่ากลุ่มนี้ เป็นที่แสดงความเป็นเหตุและผลในการทั้งสในภาษาบาลีเรียกสังเขตกลุ่มที่หนึ่งเป็นเหตุที่มีมาในอดีตกลุ่มที่สองเป็นผลที่เกิดในปัจจุบันกลุ่มที่สามเป็นเหตุที่กำลังเกิดในปัจจุบันกลุ่มที่สี่เป็นผลที่เกิดในอนาคตในระหว่างกลุ่มที่สี่นี้ มีที่เชื่อมต่อสามแห่งในภาษาบาลีเรียกว่าสันธิคือที่เชื่อมต่อที่หนึ่งต่อระหว่างอดีตเหตุกับปัจจุบันผลที่เชื่อมต่อที่สองต่อระหว่างปัจจุบันผลกับปัจจุบันเหตุที่เชื่อมต่อที่สามระหว่างปัจจุบันเหตุกับอนาคตผลนอกจากนี้มีองค์ธรรมยี่สบอย่างเป็นเหตุและผล ในกระบวนการของรูปนามเรียกว่าอาการได้แก่อดีตเหตุ5ปัจจุบันผล5ปัจจุบันเหตุ5อนาคตผล5วัตตะ3หลักของปฏิจจสมุปบาทอธิบายถึงวัตตะความหมุนวน 3อย่างคือ 1. วนเวียนกิเลสประกอบด้วยอวิชชาตัญหาและอุปทาน 2. วนเวียนกรรมประกอบด้วยสังขารและกรรมภพสาวนเวียนวิบากประกอบด้วยวิญญาณ น, นามรูปอายตนะผัสสะและเวทนาวิบากคือรูปนามอันเป็นผลในปัจจุบันที่ปรากฏในขณะเห็นเป็นต้น เกิดมาจากกรรมเก่ารูปนามเป็นผลในปัจจุบันนั้นเป็นเหตุให้เกิดปัจจุบั น, นกรรมและพบใหม่ก็มีได้ด้วยปัจจุบั น, นกรรมดังนั้นวิปากวัฏจึงมีสาเหตุมาจากกรรมวัฏและเป็นเหตุให้เกิดกิเลสวัฏอีกแม้กิเลสวัฏก็เป็นเหตุให้เกิดกรรมวัฏต่อไปหมุนวนต่อๆกันไปอย่างนี้เป็นวงจรอุบาท ที่ไม่มีจุดจบเรียกว่าสังสารวัตแห่งความทุกข์สังสารวัตรนั้นหมายถึงความเป็นไปอย่างต่อเนื่องของสภาวธรรมคือรูปนามที่เกิดขึ้นโดยอาศัยเหตุปัจจัยเพื่อให้หลุดพ้นจากทุกข์ในสังสารวัตรเราจึงขวนขวายทำกุศลกรรมศึกษาคำสอนของพระพุทธองค์เกี่ยวกับอริยสัจสจนขึ้นใจ แล ะ, จะเจริญวิปัสนาโดยกำหนดรู้สภาวธรรมในขณะเห็นได้ยินเป็นต้นจนรู้ชัดการเกิดดับอย่างต่อเนื่องของรูปนามวิปัสนาปัญญานี้จะช่วยขจัดความหลงผิดและปลดปล่อยเราจากตัณหาและอุปทานที่ชักนำให้เกิดพบใหม่และการเวียนว่ายอยู่ในความทุกข์ผู้ปฏิบัติธรรมบางท่าน อาจพิจารณาเห็นว่าสภาวะธรรมรูปนามเกิดจากกรรมวัฏและวิปากวัฏและรู้ชัดว่ามีเพียงกรรมและวิบากเท่านั้นที่เกิดขึ้นเพราะกรรมในอดีตพบจึงมีรูปนามเป็นปัจจุบันนภบรูปนามเป็นปัจจัยให้เกิดกรรมในปัจจุบันนบโดยเป็นเหตุให้กระทากรรมในชาตินี้กรรมเหล่านี้ชักนาให้เกิดในภพใหม่ ด้วยกระบวนการอย่างนี้จึงเกิดมีพบใหม่และมีรูปนามสืบต่อกันไปอย่างไม่จบสิ้นในที่นี้การเกิดขึ้นดําเนินไปของรูปนามหมายถึงการเกิดขึ้นของสภาวะธรรมการเห็นการได้ยินเป็นต้นในขณะที่มีการกระทบกับรูปารมณ์และสัทธารมณ์เป็นต้น การเห็นการได้ยินเป็นเหตุให้เกิดกิเลสกรรมภพและชาติหมุนเวียนอยู่เช่นนี้ดังนั้นกระแสรูรปนามจึงถูกปรุงแต่งให้เกิดขึ้นด้วยความหมุนวนของกรรมและวิบากคัมพีวิสุทธิมักได้อธิบายว่าวิปัสสนาปัญญาในขั้นนี้ชื่อว่าปัจจยะปริคหายานจัดเป็น กังขาตารณะวิสุทธิความบริสุทธิแห่งญาณที่ทำให้ข้ามพ้นความสงสัยความเป็นเอกภาพของสภาวธรรมเอกัตตนายหลักปฏิจจสมุปบาทมีลักษณะพิเศษสี่ประการที่เราพึงสำเนียกไว้ ลักษณะพิเศษอย่างแรกคือความเป็นเอกภาพของสภาวธรรมคือรูปนามที่สืบต่อกันในสามภพแม้ว่าหลักปฏิจจสมุปบาทจะเน้นถึงความเป็นเหตุเป็นผลกันของสภาวธรรมทั้งปวงก็ไม่พึงคิดว่าอาวิชาตัณหาและเหตุอื่นๆเป็นปัจจัยปรุงแต่งบุคคลหนึ่งแต่วิญญาณ น, นามรูป และเหตุอื่นๆเป็นปัจจัยปรุงแต่งอีกบุคคลหนึ่งทั้งนี้เพราะความเชื่อเช่นนี้ประกอบด้วยอุเฉททิธิคือเชื่อว่าสัตว์บุคคลเมื่อตายไปแล้วย่อมดับสูญไม่เกิดอีกในความเป็นจริงกระแสรูปนามเปรียบได้กับวงจรชีวิตของต้นมะม่วงมเมล็ดมะม่วงงอกขึ้นเป็นต้นอ่อน ต้นอ่อนจเจริญเติบโตตามลำดับจนเป็นต้นมะม่วงดังนั้นมเมล็ดมะม่วงต้นอ่อนและต้นมะม่วงจึงเกิดความสัมพันธ์กันเป็นกระแสของเหตุและผลที่ต่อเนื่องกันไปไม่ขาดตอนจึงกล่าวได้ว่าทั้งสา ม, มเมล็ดมะม่วงต้นอ่อนและต้นมะม่วงสิ่งนี้เป็นคนและอย่างกันในทำนองเดียวกันอวิชาสังขารวิ ญ, ญญาณเป็นต้น ซึ่งเกิดต่อเนื่องโดยความเป็นเหตุเป็นผลกันอย่างไม่ขาดตอนในกระแสขันใดเราก็อาจกล่าวได้ว่าหมายถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งยกตัวอย่างเช่นพระเทวทัตผู้ที่ทาสังฆเภทเป็นบุคคลเดียวกันกับพระเทวทัตที่เสวยทุกข์อยู่ในอเวจีมหานรกหรือท่านอนาถบินธิกะเศรษฐีผู้ที่บริจาคทาน ก็คือบุคคลเดียว ก, กันกับท่านอนาบินทิกะผู้ที่ไปบังเกิดในเทวโลกความเห็นผิดของสาติภิกษุการถือว่าผู้ทำกรรมเป็นบุคคลเดียวกับผู้เสวยวิบากในภพต่อไปทำให้สามารถหลีกเลี่ยงความเห็นผิดว่าพบขาดศูนย์ แต่ในทางตรงกันข้ามบางคนอาจเชื่อว่าสัตว์บุคคลเมื่อตายจากภพหนึ่งแล้ววิญญาณเดิมของเขานั้นก็เคลื่อนไปสู่อีกภพหนึ่งอย่างสมบูรณ์ความเห็นผิดนี้เรียกสัตสตะทิฐิซึ่งในสมัยพุทธกาลสาติภิกษุก็ได้ยึดมั่นความเชื่อนี้เรื่องราวในชาดกเป็นสาเหตุให้สาติภิกษุมีทิฏฐิที่ผิด เราได้สดับมาว่าเรื่องชาดกเหล่านี้เป็นเรื่องราวในอดีตชาติของพระพุทธองค์เมื่อทรงเป็นพระโพธิสัตว์จึงเข้าใจว่าเมื่อพระโพธิสัตว์ตายแล้วรูปปัจขันธ์ก็แตกทําลายไปไม่มีเหลือแต่วิญญาณยังคงอยู่และเคลื่อนไปสู่ภพต่อไปแม้สัตว์บุคคลอื่นๆก็เช่นเดียวกันเมื่อตายไปรูปปัจขันธ์เท่านั้นที่แตกสลาย แต่วิญญาณยังคงอยู่อย่างเดิมไม่ได้สูญหายไปเพียงเคลื่อนจากร่างหนึ่งไปสู่อีกร่างหนึ่งต่อๆไปไม่มีที่สิ้นสุดที่จริงแล้วเรื่องราวในชาดกมุ่งจะแสดงความต่อเนื่องของเหตุและผลที่สัมพันธ์กันโดยความเป็นผู้กระทํากรรมและผู้เสวยกรรมไม่ได้หมายความว่า ม, วามีวิญญาณอมตะที่ท่องเที่ยวจากภพหนึ่งสู่อีกภพหนึ่ง ในความเป็นจริงสภาวธรรมทุกอย่างดับไปในภพนั้นๆแล้วแต่ก็ด้วยความเป็นเหตุให้เกิดสภาวธรรมที่เป็นผลต่อเนื่องกันเราจึงสรุปว่าตัวเอกของชาดกเรื่องต่างๆนั้นในที่สุดก็ได้กลายมาเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะดังนั้นหลังจากที่พระพุทธองค์ได้ทรงซักถามสาติภิสุจึงเข้าใจแล้วละความเห็นผิดนั้น และกล่าวว่าวิญญาณเกิดเพราะมีเหตุปัจจัยและไม่สามารถเกิดโดยปราศจากเหตุปัจจัยในพระสูตรข้างต้นพระพุทธองค์ทรงอุปมาวิญญาณเหมือนไฟและเรียกตามวัตถุอันเป็นที่เกิดเช่นไฟเกิดจากไม้เรียกว่าไฟไม้ไฟเกิดจากหญ้าเรียกว่าไฟหญ้าเป็นต้นวิญญาณก็เช่นเดียวกัน เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยดังนั้นวิ ญ, ญญาณที่เกิดจากจักขุปสาทรูปและรูปารมณ์เรียกว่าจักขุวิญญาณวิญญาณที่เกิดจากโสตปสาทารูปและสัทธารมเรียกว่าโสตวิญญาณเป็นต้นกล่าวโดยสรุปก็คือวิญญาณมีชื่อตามทวารและอารมณ์ที่เป็นปัจจัยให้เกิดเมื่อวัตถุ จุดติดไฟเปลี่ยนไปไฟที่เกิดก็เปลี่ยนชื่อตามไปด้วยไฟญ่าเมื่อลามไปถึงพุ่มไม้ก็เรียกว่าไฟไม้เช่นเดียวกันนั้นวิญญาณเองก็เปลี่ยนชื่อตามทวารและอารมณ์ที่เกิดแม้ในกรณีที่วิญญาณเกิดในทวารและอารมณ์เดียวกันวิญญาณที่เกิดก่อนย่อมดับไปแล้วมีวิญญาณใหม่เกิดขึ้นต่อเนื่องไปในกระแสจิต ดังนั้นการเข้าใจความจริงเกี่ยวกับการทำงานของจิตจึงทำให้หลุดพ้นจากทิฏฐิคืออุเฉททิฏฐิความเชื่อว่าพบขาดศูนย์แต่ความเข้าใจผิดในเรื่องนี้ก็อาจจะให้เกิดสัตสตทิฏฐิความเชื่อว่าพบเที่ยงเหมือนสาติภิกษุ ความแตกต่างของสภาวาธรรมลักษณะพิเศษของหลักปฏิจจสมุปบาทอย่างที่สองคือความแตกต่างระหว่างองค์ธรรมทั้งหลายที่เป็นห่วงโซ่ในปฏิจจสมุปบาทอาวิชาเป็นสภาวาธรรมที่ปรุงแต่งสังขารและสังขารเป็นสภาวาธรรมที่ปรุงแต่งวิญญาณเป็นต้นการแยกความแตกต่างขององค์ธรรมทั้งหลายไม่ให้ประปนกัน หมายถึงการรับรู้ความสัมพันธ์ที่เป็นเหตุเป็นผลกันของสภาวธรรมเหล่านั้นทำให้เราหลุดพ้นจากสัจสตทิฏฐิช่วยกำจัดความเห็นผิดว่ามีวิญญาณเที่ยงแท้ถาวรที่คงอยู่ไม่สูญสลายไปแต่จะเคลื่อนไปสู่พบใหม่เมื่อบุคคลตายไปที่จริงสัจสตทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิ ล้วนมีต้นต่อมาจากการเฝ้าสนใจที่ความต่อเนื่องของนามขันจากพบหนึ่งไปสู่อีกพบหนึ่งหรือมิฉะนั้นก็สนใจความแตกต่างของนามขันที่เกิดในพบที่ต่างกันหากสรุปง่ายๆว่ารูปนามในพบใหม่เป็นอันเดียว ก, กันกับรูปนามในพบก่อนเราก็จะตกไปในสัตตะทิฏฐิ ในทางตรงกันข้ามหากเชื่อว่ารูปนามในพบปัจจุบันเป็นรูปนามที่ไม่ใช่รูปนามในพบก่อนเราก็จะตกไปในอุเฉททิฏฐิความเข้าใจที่ถูกต้องคือการรับรู้ว่าเป็นกระแสรูรปนามที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยรูปนามในพบก่อนเป็นเหตุให้เกิดรูปนามในพบใหม่อันเป็นผล ทัศนะเช่นนี้จะทําให้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นเอกภาพของรูปนามเกิดดับต่อเนื่องกันและทําให้สามารถเข้าใจชัดถึงการให้ผลของกรรมซึ่งไม่ใช่เป็นการเคลื่อนของรูปนามเดิมไปยังที่อยู่แห่งใหม่หากแต่หมายถึงการดับของรูปนามเดิมในพบก่อนแล้วเกิดมีรูปนามใหม่ในพบปัจจุบันซึ่งเป็นผลของกรรมในอดีตพบเท่านั้น ความเห็นเช่นนี้เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการปฏิบัติวิปัสสนาผู้ปฏิบัติธรรมที่กาหนดรู้รูปนามในขณะที่ปรากฏอยู่นั้นจะสามารถรู้เห็นลักษณะพิเศษสองอย่างของหลักปฏิจจสมุปบาทรับรู้ว่ามีกระแสของเหตุและผลที่ประกอบด้วยอวิชชาตัณหาและอุปทานเป็นต้นและรับรู้ความต่อเนื่องกันอย่างไม่ขาดตอน ของกระแสะเหตุและผลแห่งรูปดังนั้นเขาจะจึงสลัดความเชื่อในอุเช ท, ทิฐิได้โดยสิ้นเชิงนอกจากนั้นเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมรับรู้สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นใหม่ทุกๆขณะที่กำลังกำหนดรู้อยู่นั้นเขาย่อมสามารถแยกอารมณ์ที่มากระทบออกเป็นจิตที่รับรู้อารมณ์นั้นได้ การกำหนดรู้รูปทำให้ทราบชัดสภาวธรรมทางจิตเช่นเวทนาตัณหาอุปทานกรรมภพและวิญญาณเป็นต้นที่มีความแตกต่างกันออกไปและเนื่องจากเขารู้ชัดการเกิดขึ้นของสภาวธรรมใหม่ทุกๆขณะเขาจึงสลัดความเชื่อในสัตสตติทิได้โดยสิ้นเชิงอีกด้วย การไม่มีความขวนขวายในการให้ผลลักษณะพิเศษอย่างที่สของปฏิจจสมุปบาทก็คือการให้ผลขององค์ธรรมต่างๆเป็นไปโดยปราศจากความขวนขวายให้ผลเกิดขึ้นแต่เป็นไปเองตามสภาวะเช่นเอาวิชาเป็นปัใจจัยให้เกิดสังขารโดยไม่มีความขวนขวายพยายาม และสังขารก็เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณโดยไม่ได้ขวนขวายพยายามการเข้าใจความจริงในข้อนี้หมายถึงปัญญาที่อย่างเห็นการไม่มีตัวบุคคลผู้กระทาที่เป็นผู้เห็นหรือได้ยินเป็นต้นและปัญญาที่รู้ความจริงข้อนี้ทำให้เราสลัดความเชื่อในอัตติธิติคำพีวิสุทธิมักยังกล่าวว่า ความเข้าใจผิดในเรื่องนี้อาจทำให้คนบางคนตกไปในอากิริยทิฏฐิคือความเห็นว่าการกระทําไม่มีผลโดยเชื่อว่าชีวิตเป็นไปตามพรหมลิขิตและปฏิเสธการให้มีอิสรภาพในการตัดสินใจของบุคคลการพิจารณาโดยอพยญาปารัยของสภาวธรรมทั้งหลายในปฏิจจสมุปบาทนี้ อาจเห็นได้ชัดสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมที่กำหนดรู้การเกิดดับของสภาวะธรรมเขาจะรู้ชัดว่าเนื่องจากรูปนามเกิดขึ้นโดยมีเหตุปัจจัยดังนั้นรูปนามของเขาจึงไม่อาจเป็นไปตามความปรารถนาได้เสมอไป ความเกี่ยวเนื่องกันของเหตุและผลลักษณะพิเศษอย่างสุดท้ายของหลักปฏิจจสมุปบาทคือการเป็นเหตุเป็นผลกันขององค์ธรรมแต่ละคู่แต่ละอย่างทำให้เกิดผลของตนของตนเท่านั้นและยังไม่ก้าวกายกับการทำงานของเหตุอื่นกล่าวคือ เหตุแต่ละอย่างสามารถให้ผลของตนได้โดยไม่ต้องอาศัยการทำงานของเหตุอื่นและไม่ให้ผลอื่นที่ไม่เกี่ยวกันเช่นอวิชชาเป็นเหตุให้เกิดสังขารแต่ไม่ทำให้เกิดผลอื่นและไม่มีเหตุอื่นที่ทำให้เกิดสังขารนอกจากอวิชชาความจริงข้อนี้ทำให้เราสลัดความเชื่อในอกิริยทิฏฐิ ความเห็นผิดว่าการกระทําไม่มีผลในคำพีวิสุทธิมรักชี้ให้เห็นว่าผู้ที่เข้าใจความข้อนี้ผิดก็อาจตกไปในอเหตุตุกะทิฏฐิความเห็นว่าไม่มีเหตุปัจใจหรือตกไปในนิตยาวาดความเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างได้ถูกกำหนดไว้แล้ว แต่ผู้ปฏิบัติธรรมที่กำหนดรู้รูปนามอยู่นั้นย่อมเห็นชัดความเกี่ยวเนื่องกันเป็นคู่คู่ของเหตุและผลจึงหมดความสงสัยในการให้ผลของเหตุแต่ละอย่างและรู้ด้วยว่ามนุษย์มีอิสระในการเลือกหรือตัดสินใจได้ข้าพเจ้าได้อธิบายเนื้อหาที่สำคัญในหลักของปฏิจจสมุปบาท มาอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วน่าจะเป็นการเพียงพอให้ผู้ปฏิบัติธรรมสามารถพิจารณานำไปประกอบการปฏิบัติแต่เนื่องจากหลักปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมที่ลึกซึง้งจึงอาจมีข้อธรรมบางประการที่เข้าใจได้ยากมีเพียงพระพุทธองค์ผู้ทรงพระสัพพัญยุตยานเท่านั้น ที่จะเข้าใจทุกในได้อย่างทองแท้ผู้ปฏิบัติธรรมจึงควรพยายามทําความเข้าใจให้มากที่สุดเท่าที่ปัญญาความสามารถจะอำนวยด้วยการสดับพระธรรมเทศนาหมั่นไตร่ตรองข้อธรรมที่ได้เรียนมาและเสริมสร้างความเข้าใจด้วยการเจริญภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจริญภาวนาจัดเป็นภาวนามายะปัญญา คือปัญญาที่เกิดจากภาวนาเป็นประสบการณ์ที่รู้เห็นได้ด้วยตนเองซึ่งมีความลึกซึ้งกว่าสุตตมยะปัญญาคือปัญญาจากการสดับและจินตามยะปัญญาคือปัญญาจากการตรึกนึกคิดอันเป็นปัญญาอย่างภายนอกที่เรียนรู้จากผู้อื่นที่จริงแล้ว เฉพาะผู้ปฏิบัติธรรมที่เข้าถึงวิปัสนาปัญญาด้วยการภาวนาเท่านั้นจึงจะสามารถบรรลุมรรคผลหลุดพ้นจากทุก์ในสังสารวัตรได้